แกล้งดัดน้องด้วยสิงควายคนเฒ่าคนแก่ทางอีสานอธิบายคําว่าสิงควายหมายถึงการขับร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานหยอกล้อกันในระหว่างเด็กเลี้ยงขวายมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงจังและอีกความหมายหนึ่ง หมายถึงการร้องเพลงกล่อมควายครั้งหนึ่งไปเลี้ยงควายกันตามประสาพี่พี่น้องๆท่านเป็นหัวหน้าพาไปเมื่อถึงเวลาเที่ยงจึงเอานกแสงแสลมาปิ้งระหว่าง น, นั้นท่านก็นึกคล้มอกคลืมใจจึงสิงควายขึ้นว่า ดูเขาเลงนะตักเขาเลงกอดักเขาเป็งเซ็งดักเขาเดงก็ดักเขาดำเด่งดักเขาเลงกะดักเขาดำตักน้องๆได้ยินดังนั้นต่างก็พากันหัวเราะชอบใจจนจะล้มจะตายกันเลยทีเดียวเมื่อปิ้งจนสุกได้ที่แล้วจึงเอากระติบข้าวเหนียวและขับข้าวอื่นๆ มาวางเตรียมพร้อมจะกินกันอยู่แล้วน้องๆก็ขอร้องท่านขึ้นว่าสิงควายตัวนั้นให้ฟังอีกหน่อยสิฟังแล้วมันม่วนดีหลายสนุกดีอะไรกันจะกินข้าวอยู่แล้วยังจะให้สิงอีกเหรอเออสิงเลยมันอยากฟังหลายท่านเลยทั้งสิงไปกินไป กินไปสิงไปอยู่อย่างนั้นน้องๆก็มัวแต่ฟังเสียจนเพลินพากันหัวเราะพออกพอใจจนน้ำหูน้ำตาไหลและเมื่อหันมาดูนกป้งอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าหมดเกลี้ยงเลยท่านเลยพูดขึ้นว่าถ้าไม่อยากฟังกันหลายก็ไม่กินหมดหรอกเห็นอยากฟังกันเหลือเกิน ก็เลยแกล้งดัดเส้นเอาซะเต็มที่เลยนกปิ้งก็เลยหมดเลยการสิงข่ายเป็นที่พอใจของน้องๆเป็นอย่างมากแทนที่น้องจะต่อว่าต่อขานอะไรกับพี่บ้างกลับพูดว่าก็ไม่เครียดหรอกถึงจะกินหมดก็ช่าง พวกเราก็หาเรื่องเองแหละเที่ยวอยากจะมาฟังเอาตอนคนกำลังจะกินอยู่แล้วแม้จะกินหมดก็ว่าพอดีอยู่หรอกพอดีกันกับที่ขอให้ร้องอยู่หรอกแต่นั้นมาท่านก็แกล้งพูดหยอกน้องว่าอยากฟังอีกไหมละ่ะสิงค้ายนั่นนะ่ะ ศาสนาก็เลื่อมใสแต่ใจในระยะนี้แม้ความเคารพเลื่อมใสในพระศาสนาของท่านจะยังมีอยู่มากก็าตามแต่ด้วยวัยที่โตเป็นหนุ่มเต็มที่แล้ว ทำให้เริ่มคำนึงถึงเรื่องหญิงสาวที่จะมาเป็นคู่ครองจิตใจตอนนั้นท่านกล่าวว่ากิเลสมันก็มีมากอยู่เหมือนกันเห็นเขามีลูกมีเมียก็คิดอยากมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวกับเขามีอยู่วันหนึ่งขณะที่ท่านกําลังสนทนากับหนุ่มเถิงเพื่อนสนิทของท่านอยู่นั้น ผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุราวห้าสิบปีมาจากอำเภอกุมภาวาปีอุดรธานีลักษณะของแกเป็นคนสุขุมไม่ค่อยพูดแกนั่งอยู่ในบริเวณ น, นั้นจึงได้ยินสองหนุ่มพูดคุยกันมาตลอดหนุ่มถึงพูดแต่ว่าจะบวชจะบวชคงจะพูดเรื่องบวชอยู่นาน จนแกชักรำคาญละมังแกจึงว่าไหนพ่อขอดูลายมือหน่อยนะมานั่งฟังอยู่นี้มีแต่จะบวชจะบวชมันจะได้บวชจริงๆหรือไหนให้พ่อดูลายมือหน่อยนะหน่าผู้เท่าดูลายมืออยู่ที่งียบสักพักหนึ่งแกก็พูดขึ้นว่าจ้างก็ไม่ได้บวชนี่ ไม่กี่วันมันจะมีเมียมันติดกันอยู่แล้วนี่คู่ของมันติดอยู่นี่มันแยกไม่ออกมันจะแยกออกได้ยังไงผู้เท่าไม่ใช่พูดแบบธรรมดาธรรมดาแต่พูดแบบยืนยันเลยแกเป็นคนนิสยัยไม่ค่อยพูดเป็นคนเคร่งขรึมพอเห็นผู้เท่าทำนายเพื่อนแบบนี้ เลยทำให้หนุ่มบัวรู้สึกยิ่งคึกคักมั่นใจไปด้วยเพราะไม่ต้องการจะบวชแต่ต้องการจะเอาเมียเมื่อเพื่อนดูเสร็จเรียบร้อยนุ่มบัวจึงขอให้ดูบ้างดูให้ผมหน่อยนุ่มบัวพูดด้วยความกระยินใจว่าอย่างไรต้องได้เมียคราวนี้แต่การกลับตรงข้าม ผู้เท่าดูอยู่ครู่หนึ่งผู้เท่าดูอยู่ครู่หนึ่งแกพูดขึ้นว่าเออผู้นี้ใช่ละนี่ผู้นี้ถึงถูกได้บวชแน่ๆจะได้บวชนี่สายบวชเต็มแน่วแล้วเวลานี้จะบวชเร็วๆนี้ผู้เท่ากล่าวด้วยความมั่นใจเชน่นนี้ถึงกับทำให้นุ่มบัวหน้าซีเผือดลงทันทีดังนั้น เพื่อความแน่ใจว่าผู้เท่าอาจจะดูผิดไปหรือไม่อย่างไรกันจึงรีบบอกไปว่าเอ๊ะว่าจะเอาเมียอยู่นะผมอยากจะแต่งเมียอยู่นะแทนที่ผู้เท่าจะลังเลใจกลับพูดอย่างยืนยันเลยว่าจ้างก็ไม่ได้แต่ง ก็ไม่มีครอบครัวเย่าเรือนตามที่ตั้งใจไว้เดิมแม้จะมีหญิงสาวที่หมายมั่นตกลงโปร่งใจระหว่างกันแล้วก็ตามทีแต่ครั้นพอจะให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาครั้งใดกลับหาจุดที่เหมาะสมลงตัวลงใจกันไม่ได้สักทีอีกครั้งด้วยนิสัยที่เป็นคนเคารพในเหตุผลเหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้นเมื่อเหตุผลยังเป็นที่ลงกันไม่ได้แม้ความรักจะมากเพียงใดท่านก็ยอมอดยอมทนได้และด้วยเหตุนี้เองความคิดของท่านที่จะมีครอบครัวจึงเหมือนมีสิ่งมากีดขวางให้คลาดแคล้วจนได้ทุกทีไปชรอยจะเป็นเพราะปุเพจกะตะปุญญาตา อำนาจบุญกรรมที่ท่านเคยสร้างสมอบรมมาแต่ดั้งเดิมให้ผลมากกว่าจะเป็นเรื่องการทํานายถายทักจากหมอดูบุญนี้จึงให้ผลอุดหนุนพลักดันชีวิตของท่านให้ไปในทางอันประเสริฐ สมัยหนุ่มซึ่งเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่กำลังคิดจะมีครอบครัวว่าถ้าจะเอาเมียที่ไรก็ผิดก็พลาดไปทุกทีทั้งๆ ท, ที่พ่อผู้หญิงชอบหมดทั้งนั้นแหละพอเราขึ้นไปบ้านไหนแต่ก่อนเขามีทำงานปั่น้ายปั่นไมกันทางภาคอีสานทุกวันนี้ก็มีเขาไปเที่ยวกัน แต่เขาว่าไปเล่นสาวภาษาทางนี้ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหนโอ้ยเสียงลั่นไปแหละคือพ่อแม่ทางผู้สาวนะ่ะชอบมากแต่ลูกสาวไม่เห็นชอบอะไรคือเขาอยากได้เราเขาเห็นเราขยันก็รู้กันอยู่แล้วนี่ท่านเคยเล่าให้ลูกหลานฟังเกี่ยวกับเรื่องความรักว่า หลวงตาบัวก็เคยรักสาวเหมือนกันเคยพูดมาแล้วหลวงตาบัวเป็นบ้าโถเราก็เห็นโทษของมันเหมือนกันนี่นาหลังมานีจึงเห็นโทษเวลานั้นมันไม่เห็นเลยนอนไม่หลับก็ยังไม่เห็นมันคิดเห็นหน้าแต่ผู้สาวคนเดียวโหไม่มีอะไรในโลกธาตุไม่มีใคร มีคุณค่ายิ่งกว่าสาวคนเดียวนี่นะมันนั่งอยู่ในหัวใจตลอดเวลาทำหน้าที่การงานใดมันก็เป็นพุทธโธอยู่ในใจนี้ละ่ะสาวคนนั้นนั่นมันเป็นพุทธโธแทนมันอย่างนี้ละ่ะอืมทำงานทำการใดมีแต่อีนั่นละ่ะอยู่ในนี้นะโอ้โหมันเป็นก็บอกว่าเป็นสิโหอกจะแตกนะ รักผู้หญิงนี่ไม่ใช่เล่นๆ เ, เราเคยรักมาแล้วนี่โถถึงขนาดนี้ถึงขนาดจะกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับอยู่ที่ไหนหากทำอะไรก็ตามงานการอะไรก็ตามทำไปบืนไปทำไปบืนไปเดินก็เดินไปแต่ผู้โทหญิงสาวนั้นมันไม่ได้พรากจากใจหนา มันติดอยู่นั่นตลอดถึงว่ามันฝังลึกทุกมากที่สุดนะโอ้พี่ลึกความหนักหน่วงทวงจิตใจความทุกข์ความลำบากทรมานที่สุดในเวลานั้นทีนี้ความรักมันก็ดึงไปดึงไปมันไม่ให้เห็นโทษทุกขนาดไหนมันก็ไม่เห็นนะแม้ว่าท่านจะไม่ได้คาดคิดเรื่องบวชมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องความรักของท่านที่มีต่อหญิงสาวนั้นถึงจะมีมากจนถึงกับทําให้ทุกร้อนภายในใจเพียงใดท่านก็ไม่ยอมทําสิ่งผิดพลาดเสียหายใดๆโดยเด็ดขาดอันอาจจะก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนถึงจิตใจของพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ดังนั้น ถึงแม้สมัยเมื่อครั้งยังเป็นครวาดอยู่ท่านก็จะพยายามใช้หลักต่อไปนี้ตลอดมาเอา้ามึงจะรักไปไหนรักไปมึงไม่ได้เกิดกับอีหญิงคนนี้ละวนะถึงขนาดนี้ละนะมึงทำไมมึงรักลืมพ่อลืมแม่ได้บังคับมันเอา้าเคยเป็นนี่เอาความจริงมาพูด ก็าเรื่องของเราเป็นมาแล้วนี่แต่ทีนี้เวลามันจะแยกของมันได้ก็เพราะศีลธรรมนะนี่สำคัญอันนี้นะทาแยกออกได้ขาดสะบั้นไปโดยเชียวให้ถอยไม่ถอยจะแก่แม้รักจนน้ำตาไหลรักเต็มหัวใจเจ้าของใครๆก็ไม่รู้ จนเจ้าของจะเป็นบ้าไม่ชรักธรรมดาไม่ลืมนะจนบัดนี้เพราะรักครั้งแรกด้วยเอาจริงๆ ร, รักครั้งแรกถอนไม่ขึ้นง่ายๆโท่โท่แต่ดีอย่างหนึ่งมันมีหลักหัวใจมีหลักของมันเป็นครวาดก็มีอยู่ความสัตว์ความจริงความเด็ดมันเด็ดอยู่ตลอดเมื่อเห็นว่า รักนี้จะทําลายเจ้าของแล้วก็ทอดสมอลงกึกเลยให้เรือมันไปไม่ได้ให้มันหมุนอยู่นี่มันถอนสมอไม่ได้มันก็ดิ้นอยู่นี่เรือหมุนอยู่นี่มันไม่ออกถ้าลงสมอหลุดเรือมันก็พาไปทะเลหลวงโน้นละนี่ไม่ให้มันไป ทีแห่งการบวชลูกที่ไว้ใจวางใจได้ในระยะก่อนที่หลวงตาจะออกบวชปรากฏว่าท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจในการงานทั้งปวงจนบิดามารดาหวังฝากผีฝากไข่ฝากเป็นฝากตายไว้กับท่านความไว้วางใจของพ่อแม่ที่มีต่อท่านและพี่ชายเห็นได้อย่างชัดเจนจาคำกล่าวของท่านที่ว่าแต่ก่อน พ่อแม่ของเรามีเป็นหลายช่างนะเงินหนึ่งช่างเท่ากับแปดสิบบาทคือเงินช่างแต่ก่อนไม่ใช่เล็กน้อยเป็นเงินมื่นๆทุกวันนี้ละนะเงินมีหลายช่างในครัวเรือนของเราพอเดือนเมษาสงน้ําพระปีใหม่พ่อแม่ถึงจะเอาออกมาทีหนึ่ง ใส่ขันใหญ่นี้ออกมาเต็มเลยเวลาส่งน้ำไม่ให้ใครรู้นะรู้เฉพาะเรากับพี่ชายคนหนึ่งนอกนั้นไม่ยอมให้เห็นเลยทําอยู่ข้างบนบ้านเอาน้ําอบน้ำหอมมาล้างจนถึงน้ำดําเลยเต็มขันเต็มขันเสร็จแล้วเก็บเงียบแต่ก่อนไม่มีฝากธนาคารนะ เก็บแบบลี้ลับของคนโบราณเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรักษาเงินทองภายในครอบครัวของท่านนั้นแม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าพ่อเพราะเป็นผู้มีความจดจำดีกว่าพ่อมากประการแรกคงเป็นเพราะ แม่ได้ความเฉลียวฉลาดจากคุณตามาไม่น้อยดังท่านเคยกล่าวว่าโยมแม่นี้ยกให้เลยความจำนี่เก่งมากอันนี้เด่นจริงๆลูกไม่ได้สักคนเดียวทางนี้เขามีกรอนลำเหมือนเพลงพอเขาขึ้นลำนี้โยมแม่ฟังอยู่นั่นแล้วฟังลำจบ จำได้หมดเลยเก่งขนาดนั้นอะไรอะไรนี่จำได้หมดลูกคนไหนเกิดวันไหนเดือนไหนข้างขึ้นข้างแรมไม่ได้มีอะไรจดนะแต่ก่อนไม่มีหลักหนังสือจะจดโยมแม่จดด้วยความจำทั้งนั้นลูกทุกคนจำได้หมดไม่มีพลาดนี่แหละ เก่งจริงๆความจำความฉลาดก็ยกให้อยู่นะแม่รู้สึกว่าจะได้สืบมาจากพ่อคือตาน้องๆของท่านกล่าวเช่นกันว่าที่แม่มีความสามารถทางการจดจำดีกว่าพ่อก็น่าจะเป็นเพราะพ่ออาจจะต้องรับผิดชอบการงานหลายอย่าง ทำให้มักจะลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่บ่อยครั้งถ้าพ่อถือเงินไปไหนตอไหนความที่จาไม่ได้ทำให้เหมือนกับว่าอยู่ดีๆเงินก็ถูกขโมยหายไปบางครั้งก็กลับมีเงินเพิ่มขึ้นทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครเอามาใส่ให้แต่สำหรับเงินที่เก็บอยู่กับแม่นั้น ไม่เคยมีปัญหาใดๆเหมือนของพ่อเลยเวลาที่เขาหาฟ่อนข้าวมากองที่ลานในานาทางพ่อว่าข้าวมีเท่านั้นส่วนแม่ว่ามีเท่านี้จะนับได้ไม่เท่ากันท่านหมายถึงลงตาจะเชื่อถือในจำนวนที่แม่บอกเพราะท่านว่า แม่พูดมีเหตุผลมากกว่าส่วนพ่อมักลืมเก่งและสิ่งนี้เองทำให้ท่านตัดสินใจพูดกับแม่ว่าเอาตั้งแต่นี้ต่อไปให้แม่เป็นคนเก็บเงินทั้งหมดเอาไว้ให้พ่อใช้นิดหน่อยถ้าไม่มีจึงค่อยเอาจากแม่ไปใช้เป็นการตัดปัญหา จะได้ไม่มีใครมาลักมาปล้นอีกการที่พ่อแม่ยอมให้ท่านได้เห็นเงินจํานวนมากอีกทั้งยอมเชื่อคําแนะนําของท่านในเรื่องการจัดเก็บเงินดังกล่าวย่อมชี้ชัดถึงความเป็นที่เชื่อใจวางใจได้ของพ่อแม่ที่มีต่อท่านเพราะหากเป็นลูกที่ไม่ดี ก็ย่อมอาจจะคิดลักขโมยเงินทองของพ่อแม่ได้หรืออาจแนะนำพ่อแม่เพื่อหวังประโยชน์เข้าสู่ตนเองโดยอาศัยจุดอ่อนในเรื่องความจำของพ่อเป็นช่องทางได้ความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ดังกล่าวนับเป็นคุณธรรมของบุตรที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน เทือนใจน้ำตาพ่อแม่เมื่อท่านมีอายุครบสมควรที่จะบวชได้แล้วตามหลักประเพณีของไทยเราแต่โบราณมาเมื่อบุตรชายอายุครบบวช มักจะให้บวชเสียก่อนก่อนที่จะมีครอบครัวย่าเรือนต่อไปดังนั้นบิดามารดาจึงคิดจะนำเรื่องนี้มาปรึกษาปรารภกับท่านครอบครัวของท่านมีพ่อแม่และลูกชายหญิงหลายคนโดยปกติ จ, จะร่วมรับประทานอาหารกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเย็นวันหนึ่งขณะกำลังรับประทานยูอย่างเงียบๆพ่อก็พูดขึ้นมาชนิดไม่มีอะไรเป็นต้นเหตุเลยว่าเรามีลูกหลายคนทั้งหญิงทั้งชายแต่ก็ไม่พ้นความวิตกกังวลในเวลาเราจะตายเพราะ จะไม่มีลูกคนใดใจเป็นผู้ชายคิดจะบวชให้พอเราได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายได้คลายความกังวลใจในเวลานั้นแล้วตายไปอย่างเป็นสุขหายห่วงลูกผู้ชายเหล่านั้นกูก็ไม่ว่ามันแหละส่วนลูกผู้หญิงกูก็ไม่เกี่ยวข้องมันลูกผู้ชายกูก็มีหลายคน แต่นอกนั้นกูก็ไม่สนใจอะไรพอจะอาศัยมันได้แต่ไอ้บัวหมายถึงลมตาแต่ไอ้บัวนี่สิที่กูอาศัยมันได้นะ่ะทั้งทั้งที่โดยปกติพ่อไม่เคยชมท่านแม้เรื่องอะไรต่างๆพ่อก็ไม่ชมมีแต่กดลงเรื่อยๆท่านว่า นิสัยของพ่อและแม่ของท่านเป็นอย่างนั้นจากนั้นพ่อก็พูดต่อไปอีกว่าไอ้นี่ลงมันได้ทำการทำงานอะไรแล้วกูไว้ใจมันได้ทุกอย่างกูทายังสู้มันไม่ได้ลูกคนนี้กูไว้ใจที่สุดถ้าลงมันได้ทำอะไรแล้ว ต้องเรียบไปหมดไม่มีที่หน้าตำาหนิติเตียนกูยังสู้มันไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานแล้วมันเก่งจริงกูยกให้ลูกกูทั้งหมดก็มีไอ้นี่แหละเป็นคนสำคัญเรื่องการงานต่างๆนั้นกูไว้ใจมันได้แต่ที่สำคัญตอนกูขอให้มันบววให้จือไร มันไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนไม่มีหูไม่มีปากนั่นเองบทเวลากูตายแล้วจะไม่มีใครลากกูขึ้นจากหม้อนรกเลยแม้คนเดียวเลี้ยงลูกไว้หลายคนเท่าไหร่กูพอจะได้อาศัยมันก็ไม่ได้เรื่องถ้ากูอาศัยไอ้บัวนี้ไม่ได้แล้วกูก็หมดหวัง เพราะลูกชายหลายคนกูหวังใจอาศัยไอ้นี้เท่านั้นท่านเล่าให้ฟังต่อว่าพอพ่อว่าอย่างนั้นน้ําตาพ่อร่วงปุบปับปุ บ, ป, บปับเรามองไปเห็นแม่เองพอมองไปเห็นเห็นพ่อน้ําตาร่วงแม่ก็เลยน้ําตาร่วงเข้าอีกคน เราเห็นอาการสะเทือนใจทนดูอยู่ไม่ได้ก็โดดออกจากที่รับประทานปุกบปรับหนีไปเลย น, นั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวชมันมีเหตุอย่างนั้น ที่แม่ก็น้ำตาไหลเหมือนกันกับพ่อเพราะว่าแม่ก็เคยอบรมและขอร้องลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแล้วแต่ท่านก็ยังยืนยันทุกครั้งไปว่าไม่บวชกำลังรักสาวอยู่ หาเหตุผลก่อนตัดสินใจเมื่อลบอยู่ตามลำพังท่านนำเรื่องนี้ไปคิดอยู่สามวันไม่หยุดไม่ถอยและไม่ยอมมารับประทานร่วมวงพ่อแม่อีกเลย ในสามวันนั้นกลัวจะโดนปัญหาดังกล่าวนี้อีกเพราะตอนนั้นใจยังไม่คิดอยากบวชจึงทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนเรื่อยมาแต่คราวนี้เห็นเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสากัรถึงขนาดกับทำให้พ่อแม่ต้องเสียน้ำตาท่านจึงคิดเทียบเคียงหาเหตุผลในใจว่าเอ๊ พ่อมาน้ำตาร่วงยกลูกก็เรียกว่ายกแบบยกทุ่มลงพูดง่ายๆ ย, ยกยอก็ยกยอเพื่อทุ่มลงหมดเวลาจะให้บวชนี่หละทุ่มลงคิดเอะพ่อน้ำตาร่วงเพราะเราคิดเอามากจริงๆนะไม่สบายหัวใจเลยคิดสงสารพ่อพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาทั้งบ้านทั้งเมือง เขาก็มีลูกมีเต้าลูกเต้าเขายังบวชได้แม้แต่ติดคุกติดตารางเขายังมีวันออกนี่ไปบวชไม่ใช่ติดคุกติดตารางคนอื่นๆเขายังบวชได้เขาศึกมาถมไปบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดจนตายกับผ้าเหลืองก็ไม่เห็นท่านเป็นอะไรทําไม เราบวชให้พ่อแม่เล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอย่างเหลือเอาละนะทีนี้นะคิดเพื่อนฝูงที่เขาบวชกันตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่บวชเป็นจำนวนมากท่านยังบวชกันได้ทั่วโลกเมืองไทยการบวชนี่ก็ไม่เหมือนการติดคุกติดตารางแม้เขาติดคุกติดตารางเช่น ติดตลอดชีวิตเขาก็ยังพ้นโทษออกมาได้เราไม่ใช่ติดคุกติดตารางนี่มูเพื่อนบวชเขายังบวชได้เขาเป็นคนเหมือนกันและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดท่านยังอยู่ได้เหตุใดเราเป็นคนทั้งคนพ่อแม่เลี้ยงมาเหมือนคนทั้งหลาย อย่างอื่นๆเรายังอดได้ทนได้แต่การบวชนี่มันเหมือนติดคุกติดตรางเฉริ่เราถึงจะบวชนไม่ได้ทนไม่ได้เราทําไมถึงจะด้อยเอาเสียหนักหนาตาช้าเอาหนักหนากว่าเพื่อนฝูงทั้งหลายถึงขนาดพ่อแม่ต้องน้ําตาร่วงเพราะเรานี่ ไม่สมควรอย่างยิ่งสุดท้ายก็ลงเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งคนอื่นๆบวชได้เราบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้เอาบวชอยู่ในผ้าเหลือง มันอยากสึกจนกระทั่งตายก็ให้ตายดูสิพ่อแม่เลี้ยงมาก็ายากถึงขนาดที่ว่าร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่บวชเท่านี้มันพิลึกเหลือเกินเราเป็นลูกของคนแท้ท่านคิดวกไปวนมาอยู่นั้นได้สามวันจึงตัดสินกันได้เอาละทีนี้ ตัดสินใจปุ๊บเราทำไมจะบวชไม่ได้ตายก็ตายไปสิเขาบวชกันมาไม่เห็นตายพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกให้บวชจนถึงวันตายหรือบอกให้บวชถึงปีสองปีพ่อแม่ก็ไม่เห็นว่านี่แล้วทำไมถึงจะบวชไม่ได้ละ่ะเราก็คนคนหนึ่งแท้ เอาต้องบวย